ขอนอบน้อมต่อคุณพระตนตรัยโอกาสหลวงพ่อกลมพระเทลานุเทละเพื่อนสาธรมิกทุกท่านจเจริญธรรมแม่ชีและญาติธรรมทุกทุกท่านนักปฏิบัติก็ได้มาปฏิบัติกันอยู่สองาวันแล้วนะก็คงจะได้เข้าใจอะไรหลายๆอย่างอยู่นะแต่การปฏิบัติธรรมก็ยังมีเครื่องที่เป็น อุปสรรคหรือเป็นเครื่องกลางกั้นความดีที่เรามาไปบัติกันนะอุปสรรคเหล่านี้เนี่ยก็จะทําให้เราไปบัตรทำได้ผลน้อยลงหรืออาจจะไม่ค่อยได้ผลในอุปสรรคนี่ยเขาเรียกว่าเป็นนิวรณ์นะนิวรณ์ก็มีอยู่ห้าอย่างประการแรกก็คือการมาฉันทะการมาฉันทะก็คือความยินดีพอใจในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัส ความนึกคิดต่างๆเป็นความพอใจที่เกิดขึ้นจากอายตนาภายในก็คือตาตาเป็นอายตนะภายในรูปเนี่ยเป็นอายตนาภายนอกนะเ <c oughs> มื่อมากระทบกันเกิดสัมผัสกันแล้วเนี่ยก็มีใจเนี่ยเป็นผู้รับรู้นะใจรับรู้ในการสัมผัสเหล่านั้ น, นการรับรู้ของใจเนี่ยเขาเรียกว่า จากขุวิญญาณก็คือความรับรู้ใ น, ในทางตานั่นเองนะต้องมีความรับรู้เกิดขึ้นด้วยจึงจะเกิดสัมผัสเกิดผัสสะที่สมบูรณ์นะแต่ถ้าใจไม่รับรู้แล้วเนี่ยก็จะไม่ได้เกิดผัสสะเกิดขึ้นมายกตัวอย่างเช่น คนที่นอนหลับนะคนนอนหลับเนี่ยแต่ถ้าเราไปเผยเยอะเปิดตาของเขาขึ้นมาให้เขาตาไปสัมผัสให้เกิดขึ้นต่างๆเขาก็ไม่รู้เรื่องหรอกเพราะว่าเขานอนหลับอยู่เขาไม่มีความรับรู้ในตรงนั้นในอันนี้ก็ไม่เกิดผัสสะขึ้นมานะหรือบางทีคนที่สลบไปก็แล้วแต่นะไปเปิดตาเขาเขาก็ไม่รู้เรื่องก็ไม่ <c oughs> ไม่เกิดนะผัสสะขึ้นมานะ หรือแม้แต่บางทีมาก็หลายหลายคนเพื่อนเราเดินมาต้องหลายหคนมาหาเราเรามองไปปุ๊บเราก็อาจจะเห็นครับบางคนเท่านั้นเองนะแต่คนอื่นเราก็มองไม่ชัดเราว่าก็เป็นใครบ้างเนี่ยไม่รู้ว่าเขาสแสดงปฏิกิริยาอย่างไรนะก็คือเมื่อตาเห็นแล้วเนี่ยตาก็ต้องอเกิดความรับรู้ในทางตาด้วยจริงจะเกิดผัสสะขึ้นมานะแม้บางทีเรามองไปแล้วไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นก็มีบหมือนที่เราใจลอย เดินสวนกับใครก็ยังไม่รู้เลยว่าเดินสวนกับใครผู้หญิงผู้ชายเราก็ไม่รู้ <c oughs> เนี่ยแสดงว่าเราก็ไม่มีภาษาเกิดขึ้นมานะที่พูดภาษานี้มันมีประโยชน์อย่างไรนะเยวก็จะพูดต่อไปนะเพราะนั้นการที่เรารับรู้สิ่งต่างๆเนี่ยจะเกิดภาษาก็ต้องมีนะอายจตนะภายในคือตาอายจตนาภายนอกก็คือรูปเนี่ย เมื่อกระทบกันแล้วเนี่ยก็เกิดความรับรู้ในใจขึ้นมาเป็นจักขุวิญญาณจักขุก็แปลว่าตาวิญญาณก็คือการรับรู้เกิดการรับรู้ทางตาขึ้นมาก็เกิดผัสสะขึ้นมานะเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วเราก็มีความยินดนะีความยินดีต่างๆเลยยินร้ายต่างๆเนี่ยมันก็เป็นการมาลมขึ้นมา <c oughs> ความยินดีความพอใจต่างๆเนี่ยก็เกิดตามมานะ หูก็เหมือนกันนะหูก็เป็นอายตนะภายในอเสียงก็เป็นอายตนะภายนอกนะเมื่อกระทบกันมีใจรับรู้ขึ้นมานะก็เกิดความยินดียินร้ายนจมูกนะจมูกก็เป็นอายตนะภายในกลิ่นก็เป็นอายตนะภายนอกอเมื่อเกิดกระทบกันก็เกิดผัสสะเกิดการรับรู้ขึ้นมานะลิ้นน่ะลิ้นก็เป็นอายตนะภายใน รถนะก็เป็นอายตนะภายนอกนะเกิดการกระทบกันก็เกิดผัสสะขึ้นมานะเกิดใจรับรู้ขึ้นมาก า, นะ <c oughs> กายนี่ก็เป็นอายตนาภายในนะโพธพนะก็คือสิ่งที่มากระทบนะมีความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งนะกระทบกันใจก็ไปรับรู้ในตรงนั้นนะก็เกิดผัสสะขึ้นมานะ ใจเนี่ยใจใจก็เป็นอายตนะภายในธรรมอารมณ์ก็เป็นอายตนะภายนอกเนะียก็เกิดความคิดในทางใจขึ้นมานะเนีก็เกิดผัสสะในทางใจขึ้นมาเนะี่ยสิ่งเหล่าเนี้ยก็เกิดนะอารมณ์ต่างๆ ต, ตามมานะก็เกิดจากผัสสะในตรงนี้นะผัสสะนี่ทําให้เกิดอะไรขึ้นนะไม่ว่าจะตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งใจนึกคิดเนี่ย เป็นผัสสะผัสสะเขาไม่เกิดอะไรผัสสะก็เกิดทําให้เกิดเวทนาขึ้นมานะเวทนาก็มีสุขเวทนาก็คือความยินดีความพอใจในอารมณ์ต่างๆนะอันนี้นะมันก็เป็นการมฉันทะโดยตรงความยินดีความพอใจในอารมณ์ต่างๆเป็นการมาฉันทะนเป็นกามาฉันทะนส่วนถ้าเป็นความไม่ยินดีไม่ยินร้ายมันก็จะเป็นปฏิคะก็คือว่าไม่พอใจนะ ตัวปฏิฆะนี่เดี๋ยวก็จะพูดต่อไปอีกนะว่ามันเป็นอุปสรรคในขั้นต่อไปเหมือนกันนะขั้นนี้ก็มีความยินดีนะก็คือความที่เป็นสุขเวทนานะแล้วก็มีทุกขเวทนาก็คือความยินร้ายนะความไม่พอใจในลมต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็มีอทุกคมาสุ ข, ขเวทนาก็คือความเป็นกลางๆางหรือความเป็นอุเบกขา <c oughs> ความที่ ใจเฉยเฉยไม่ยินดีไม่ยินาไี่ก็เป็นกลางๆลานะครับเวทนาก็มีสามอย่างยินดียิน้ายแล้วก็เป็นความเฉยเฉยเมื่อเกิดเวทนาแล้วก็เกิดตัณหาตามมานะตัณหาก็คื อ, อความทยานอยากในสิ่งเหล่านั้นนะเมื่อเกิดความพอใจก็เกิดความทะยานอยากในตรงนั้นนะตัณหาก็เกิดขึ้นมา เมื่อตันหาเกิดขึ้นก็มีอุปทานเกิดขึ้นตามมาอีกนะก็คือความยึดติดความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นนะเมื่อเกิดอุปทานก็เกิดภพนะเมื่อเกิดภพก็เกิดชาติเมื่อเกิดชาติก็เกิดชะลามรณะเกิดโศกะปริเทวัตถุกัทโทมณสุปายาสาปิตามมานะเพราะนั้นเมื่อเกิดภพเกิดชาติก็เกิด ความแก่ความเจ็บความตายความทุกข์ต่างๆตามมาอีกมากมายก็เกิดจากไร่ตามลําดับเหล่านี้แั้วแหละนะก็เกิดจากการที่เราอนะนะมีอุปทานเมื่อเกิดพบเกิดชาติอุปทานก็เกิดจากตัณหานะตัณหาเกิดจากเวทนาเนะวทนาก็เกิดจากผัสสนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็จึงว่า มันมีปัญหาอยู่ตรงนี้ว่าเมื่อเกิดผัสสะขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็มีเวทนาตามมาในตรงนี้นะการที่เรามีผัสสะปั๊บเนี่ยเวทนาตามมาก็เกิดสิ่งต่างตามมาเยอะแยะเลยนะเพราะนั้นเราก็ต้องรู้ทันในอาลมตรงนี้นเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นจุดสําคัญว่าเมื่อเกิดการกระทบแล้วเนี่ยเราก็จะเกิดเวทนาอะไรเกิดขึ้นนะมีความยินดี พอใจไปยึดติดในสิ่งเหล่านั้นนั่นก็เป็นการมาตัญหาทั้งหมดนะการมาตัญหานี่ก็จึงเป็นอุปสรรคสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะในการปฏิบัติธรรมเพราะคนเหล่านี้ส่วนมากจะมีความพอใจไปตามกิเลสมากมายนะวันวันหนึ่งจะมีแต่ความพอใจอหรือยินดียินไล่กันแทบทั้งวันแต่เรารู้ไม่ทันในสิ่งเหล่านั้นนะมันก็ไห ล, หลเข้าไปในรมต่างๆเหล่านั้นนะซึ่ง เพราะนั้นอุปสรรคตัวที่สองก็คือพยาปาทะนะพยาปาทะหรือพยาบาทนั่นเองนะพยาบาทพยาบาทก็เกิดจากอะไรก็เกิดจากปฎิฆะปฏิฆะก็คือความไม่พอใจนะความหงุดหงิดความขัดเคืองใจนะความโกรธต่างๆเหล่านี้นะตรงนี้ก็คืออารมณ์ที่มันเป็นการยินลายทั้งหมดนั่นเองนะนะความที่เรายินร้ายไม่พอใจต่างๆเพราะนี้คือปฏิฆะ หรือเป็นพยาปาทะทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเมื่อมีผัสสะเกิดขึ้นแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นไปตามที่ว่าเมื่อเกิดผัสสะแล้วก็จะเกิดเวทนาคือสุขเวทนาคือความยินดีพอใจในสิ่งเหล่านั้นอันนี้ก็คืออเป็นราคะนั่นเองนะเป็นราคะหรือเป็นโลภะอเป็นราคะหรือเป็นโลภะเป็นตัวเดียวกันนะหรือเกิดความยินร้ายความไม่พอใจ ความขัดเคืองใจเมื่อกระทบอารมณ์เหล่านั้นก็เกิดปฏิฆะขึ้นมานะปฏิฆะก็คืออความที่เราไม่พอใจต่างๆหรือเป็นพยาบาทนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดอารมณ์ก็จะเกิดสองอย่างนี่แหละเป็นส่วนใหญ่นะหรือไม่ก็เฉยๆนะตรงนี้มันจะเป็นอุปสรรคในการขวางกาัก้นกายปณิธรรมของเรานะเพราะเรากระทบอารมณ์แล้วเราไม่ได้รู้ที่เฉยเป็นส่วนใหญนะ่เราก็จะไปมีความยินดีความยินไลในตรงนั้นนะ ออืเราตาเห็นรูปเนี่ยเราเออเห็นเพื่อเราเดินมานะเราชอบใจ เ, ออเพื่อเราเดินมาเราเกิดความชอบใจเมื่อความชอบใจเกิดขึ้นแล้วเนี่ย เ, ออเราก็ไปอยากจะพูดคุยอ อ, อยากจะไป อ, อพูดคุยกับเขาให้สนุกสนานนะ่ะนึกถึงเรื่องเก่าๆนะสิ่งเหล่านี้เราก็รู้ไม่ทันนะ อ, อ่าหรือเห็นเพื่อนอีกคนนึงน่ะวันนี้ใส่ไม่ดีนะ คนนี้ยืมเงินไปแล้วไม่ไม่จ่ายคืนนะเราก็เกิดความไม่พอใจต่างๆขึ้นมาอีกนะตรงเนี้ยมันจะเกิดเป็นการทำให้เราไม่พอใจปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นอารมณ์ของกิเลสต่างๆเนี่ยใช่ไหมมันก็เป็นมยนีทั้งวันนะได้ยินเสียงต่างๆเยอะแยะนะพอใจไม่พอใจเราอยู่ในวัดนี่ก็มีนะบางทีก็มีเสียงต่างๆอาจจะมีเสียงเครื่องขยายเสียง ตอนนี้ก็มีการหาเสียงกันนะหรือจะมีเสียงรถวิ่งเสียงการก่อสร้างต่างๆเร า, าก็จะเกิดความไม่พอใจขึ้นมาเนี่ยตรงนี้ก็เป็นบทสักรทั้งนั้นนะตรงนี้เราก็ลองอรู้ให้เท่าทาันอารมณ์ในความพอใจและความไม่พอใจทั้งหลายคาร น, นี้เนะี่ยพยาบาทเนี่ยมันก็เรียกว่าเป็นความที่บวกลบนนะบวกบนอยู่ในรมเหล่านั้นนานเกินไปมันก็กลายเป็นความพยาบาทความพยาบาทเกิดจาก การที่เราเมื่อกระทบ <c oughs> สิ่งที่เราไม่พอใจแล้วเนี่ยเช่นมีใครเข้ามาด่าว่าเราเป็นต้นนะ mm. เราก็ไปอไปติดเนี่ลมเหล่านั้นนะไปยึดเนยลมเหล่านั้นนะจิตก็ยึดแล้วก็ไม่ยอมปล่อยลักษณะที่จิตยึดแล้วไม่ยอมปล่อยก็คือการหลงบกบล mm. การคิดคิดบกบนอยู่ในอคําพูดเหล่านั้นนะ mm. หรือการแสดงอารมณ์เหล่านั้น ของคนอื่นนะเราก็ไปหลงวกวนอยู่ไปคอยนึกคอยคิดอนะ่หลงวกวนอยู่ทั้งวันนะยิ่งใครที่ไปย้ำคิดย้ำทำมากมันก็จะหลงวกวนนานนะก็กลายเป็นความพยาบาทเกิดขึ้นนะเพราะงั้นคนที่ไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยจะเป็นคนที่พยาบาทนะคือไม่ได้โกรธเฉยแต่ก็ไปพยาบาทอาคาดแค้นด้วย นะเพราะฉะนั้นอั น, นี้บางทีเราปฏิบัติไปแล้วนะเราจะเห็นเออความคิดมันก็บกวนอยู่ในอารมพยาบาทเหล่านั้นนะ่อันนี้ก็เลยกลายเป็นอุปสรรคตัวใหญ่นะในการปฏิบัติธรรมแต่ถ้าเราไม่ไปรู้บกวนเราปล่อยให้อารมณ์ผ่านไปเราก็ไม่เป็นแบบนั้นนะเกิดจากการเราบกวนไหมนะอันนี้นะเราก็ต้องรู้เข้าใจอารมณ์ต่างๆให้เราให้เร็วเพราะนักปฏิบัติแล้วในะจริงๆแล้วเรื่องนะความโกรธนี่เป็นสิ่งที่ง่ายมากในการที่เราจะรู้ทัน นะเพราะความโกรธนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เร็ว <c oughs> เกิดขึ้นเร็วแล้วก็ละหายไปได้เร็วด้วยนะเกิดเร็วหายเร็วเนี่ยเป็นสิ่งที่เราสามารถสังเกตตรงนี้ได้นะไม่เหมือนกับรมอนะความรักต่างๆอันนี้จะเกิดช้าแล้วก็หายช้าเนี่ยจะสังเกตตรงนี้ยากนิดนึงนะแต่เมื่อมันเกิดแล้วมันก็จะหายยากนะแต่ถ้าลมโกรธนี่มันก็ดีนะเป็นสิ่งที่เ อ, อเราสังเกตได้เร็ว เมื่อสังเกตได้เร็วเราก็จะสังเกตอารมณ์ต่างๆได้เร็วขึ้นนะจริงๆแล้วความโกรธนี่ถ้าเปรียบเหมือนบันนี้เป็นเลขห้าก็ได้นะเป็นเลขห้าเมื่อก่อนนะมีใครเข้ามาด่าเราปั๊บเนี่ยเราจะมีความโกรธได้เร็วมากเลยนะเราเป็นผู้เข้าสู่ลมได้เร็วเป็นผู้โกรธได้เร็วนะเนี่ยก็เรียกว่าเราเข้าถึงเลขห้าเลยออืแต่ก่อนนี่ถึงเลขห้าก็ต้องผ่านเลขหนึ่งสองสามสี่ก่อนนะ หนึ่งสองสามสี่ก่อนรู้สึกสไหม ว, มว่าก่อนจะเกิดความโกรธเนี่ยอ่าก็จะต้องมีความงหงุดหงิดความไม่พอใจความขัดเกืองต่างๆเกิดขึ้นก่อนเนี่ยตรงเนี้ยอยู่ที่ว่าเรารู้ทันไหมนะเพื่ะนคนที่มีสติดีแล้วนะคนที่มีสติดีแล้วก็สามารถจะสังเกตอารมณ์ต่างๆเหล่านี้ได้เร็วนะมีใครก็มาด่าเราปั๊บเราจะสังเกตเลยว่าเออขณะนี้เรามีความหงุดหงิดเกิดขึ้นไหมนะมีความงหงุดหงิดปุ๊บเราจะสังเกตเห็นมันเห็นมันได้นะ พอเราเห็นความหงุดหงิดปับ๊บนะความโกรธก็จะเกิดขึ้นได้ยากแล้วเนี่ยเพราะเราสามารถสังเกตได้จิต ท, ที่สามารถสังเกตได้เนี่ยนะแล้วก็สังเกตแบบเฉยเฉยก็พอแล้วนะไม่ต้องไปอยากให้เขาหายไปท่าการที่ยากเขาหายไปนั่นก็เป็นอ่าความตันหายอย่างหนึ่งนะหรือเป็นโลภะอย่างหนึ่งเหมือนกันนะจะทําให้เขาไม่หายไปเพราะว่ามันเป็นกลุ่มเดียวกันคือจิตคนเราจะเกิดได้แต่ละขณะ แต่ละขณะเท่านั้นหรือเกิดเป็นดวงดวงนะจะไม่เกิดทีเดืยสองดวงท่อนจิตที่งุนงิดก็คือจิตที่เป็นอ า, อากุศล น, นะแต่เมื่อเรารู้เฉยๆนะรู้เฉยๆนี่เป็นกุศลจิตแล้วเนี่ยจิตที่รู้เฉยๆปั๊บเนี่ยอกุศลก็จะดับหายไปนะแต่ถ้าจิตมีโลภเจืออยู่ว่าเอออยากจะให้เขาดับไปมันก็เป็นอกุศลเหมือนกันนะเพราะนั้นเขาจึงไม่ดับไปนะครูบาอาจารย์จึงบอกว่าให้รู้เฉยๆหรือรู้ซื่อๆก็พอแล้วนะเขาก็จะดับหายไปเอง แค่เรารู้เขาก็หายไปแล้วละ่ะนะไม่ต้องอยากเอาหายหรอกคราวนี้คนที่สามารถสังเกตความงุนงิดได้เร็วเนี่ยเขาก็จะดับไปได้เร็วเหมือนกันนะเพราะนั้นเขาก็เราก็จะไม่โกรธไม่พยาบามตามมาเนะี่ยะะะเพราฉคนที่ปฏิบัติธรรมมีสติแล้วเนี่ยคนพวกนี้ก็จะไม่ใช่ว่าจะหมดความโกรธนะแต่รู้ทันได้เร็วรู้ทันอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้เร็วอก็คือรู้เลขหนึ่งก่อนได้เร็วนะมันก็ไม่เข้าถึงเลขห้าหรอกนะ ก็คือรู้ทันเลขหนึ่งทุกๆอมณนั่นแหละนะเนี่ยอารมณ์ทุกอย่างคือเลขห้าทั้งหมดนะแต่เราจะลังสังเกตเลขหนึ่งเลขสองเลขสามทุกๆอารมได้ก็คือเราสังเกตอาการขั้นแรกกับมันได้นะอาการขัดแรกหรือเบื้องต้นของลมเนี่ยสังเกตได้เร็วสังเกตปุ๊บเราก็รู้ยเฉยๆนะเขาก็ดับไปเลยนะแต่ถ้าไม่ดับก็ไม่เป็นไรเราก็อย่าไปคิดต่อนะีอย่าไปให้ค่ากับเขาเท่านั้นเองนะการไม่ให้ค่าก็คือการทิ้งนั่นเองนะ นะการทิ้งอารมณ์ต่างๆเร่งเร็วเนี่ยเขาเรียกว่าเราไม่ไปเพลินอารมณ์ต่างๆนะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยนะครั้งหนึ่งมาลุงอรยบุตรได้ถามพระเจ้าบอกว่าข้าพระองค์อายุมากแล้วเป็นผู้ที่แก่แล้วควรจะแบบทําอย่างไรจึงได้ผลเร็วพระเจ้าได้ทรงตัดว่ามาลุงอรยบุตรเธออย่าไปเพลินอารมณ์ต่างๆให้ละอารมณ์ต่างๆให้เร็วเหมือนกับระพิปตาฉันนั้นนะ ก็คืออยากให้ไปเพลินอารมณ์ต่างๆนั่นเองนะไม่ว่าจะเป็นความยินดีความยินร้ายก็จะไปเพินการที่เราไม่เพลินในอารมณ์ต่างก็คือเราต้องทิ้งอารมณ์ให้ไวนะทิ้งอารมณ์ให้ไวที่สุดนะให้เร็วเท่ากับรกระพริบตาฉันนั้นเลยนะตรงนี้ว่าเราจะทำอย่างนี้ได้ไม้มเราจะามีความสามารถที่จะทิ้งได้เร็วไหมผู้ที่จะทิ้งได้เร็วก็คือเป็นผู้ที่มีสติที่ว่องไวนั่นเองนะ ถ้าเราม ko ีสติที hvad, ่ว <manner> ่องไวแล้วเราจะทิ mm ้งรมต่างๆได้เร็วมากนะเราจะไม่ติดอารมณ์ต่างๆหรอกอารมณ์ต่างๆมันเกิดกับผู้ที่ไม่มีสตินะผู้ที่ไม่มีสติก็จะเป็นผู้เป็นนะเป็นผู้เป็นความโกรธอเป็นผู้โกรธเป็นผู้หงุดหงิดเป็นผู้รักเป็นผู้ชังนะแต่ถ้าเราสังเกตได้ไวปุ๊บเราสังเกตว่าขณะนี้เรากำลังไม่พอใจแล้วนะกําลังหงุดหงิดนะเราจะกลายเป็นผู้ดูทันทีเลยนะเป็นผู้ดูไม่เป็นผู้เป็นพอเป็นผู้ดูปุ๊บมันก็ดับหายไป นีผู้ที่มีสติก็จะมีรมบ้องไวเพราะนั้นมีลมองไวก็จะทิ้งลมหลงตากได้เร็วนะแต่ผู้ที่ไม่มีสติก็จะสังเกตไม่ได้นะสังเกตไม่ได้ในเลขหนึ่งหลักสองสามเราสังเกตไม่ได้เลขสี่สังเกตไม่ได้ก็เข้าสู่เลขห้าพอเข้าสู่เลขห้าก็เป็นผู้เป็นแล้วเนี่ยมันก็จะออกจากลมได้ยากหน่อยนะได้ยากเหมือนกันแต่ไม่ใช่ว่าออกไม่ได้แต่มันจะออกยากนิดนึงอ่าเพราะเราเข้าไปเป็นผู้เป็นแล้วนะ ครั้นี้เราก็ยังไงเราก็จะไปให้ค่ากับสิ่งต่างๆเท่านั้นเองนะตาเห็นลูกก็สักแต่ว่าเห็นได้ย n, นินก็สักแต่ว่าได้ยินตรงเนี้ไม่มีประโยชน์มากนะพระพายะเนี่ยได้ฟังธรรมจากพระเจ้าพระเจ้าก็แสดงธรรมให้ฟังสั้นๆแบบว่าเอเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินรู้ก็สักแต่ว่ารู้ทราบก็สักแต่ว่าทราบเมื่อนั้นท่านจักไม่มีในโลกนี้ท่านจักไม่มีในโลกหน้าท่านจักไม่มีในโลกทั้งสองนี่แหละคือที่สุดแห่งทุกข์ นะเพราะใ น, นการที่สักแต่ว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นทำในระดับขั้นสูงมากเลยนะเป็นการที่เราไม่ไม่ไปให้ค่ากับสิ่งต่างๆในการที่เราเห็นเราได้ยินเราได้กลิ่นเรารู้รสเราก็ทบเย็นรสอนอ่อนแข็งหรือจิตนึกคิดในอารมณ์ต่างเราไม่ไปให้ค่ากับตร น, นั้นเองเมื่อไม่ไปให้ค่าแล้วในจิตจะไม่ไปวนไม่ไปวนในอสิ่งต่างๆในเหล่านั้น ยกตัวอย่างเช่นถ้ามีใครเข้ามาดาเราปั๊บเนี่ยเราไปให้ค่าปุ๊บเนี่ยให้ค่าในคําพูดของเขาเราก็จะมีความทุกข์ทันทีเกิดความโกรธเกิดความไม่พอใจแต่ถ้าเรามีสติไวเราเราไม่ให้ค่านะอคําพูดเหล่านั้นก็จะไม่มีประโยชน์ไม่มีผลอะไรกับเราเลยเพราะเมื่อเราไม่ให้ค่าแล้วมันก็จะจบแค่นั้นมันก็กานว่าอสักแต่ว่าเท่านั้นสักแต่ว่าเป็นเสียงมันก็จะแค่ลุยเฉยเท่านั้นเองลุยเฉยไม่ให้ค่ามันก็จบในตรงนั้น แต่ส่วนมากคนเราก็จะไปคิดต่อเรื่อยๆบางทีแค่เขาไม่ได้พูดเราก็แสดงการนิดหน่อยเท่านั้นเองแล้วก็ไปคิดละเคขาเรียกเป็นคนช่างคิดนะเป็นคนคิดเล็กคิดน้อยเป็นคนไม่ปล่อยไม่วางเป็นคนยึดคนติดเนี่ยพวกนี้เป็นคนที่ให้ค่าทั้งนั้นนะเมื่อให้ค่าแล้วมันจะไม่ออกจากความทุกข์หรอกอ่เมื่อเราไปให้ค่ากับสิ่งใดเราก็จะมีความทุกข์กับสิ่งนั้นอ่ยิ่งให้ค่ามากเราก็ยิ่งทุกข์มากนะเพราะการให้ค่าก็คือความยึดติดนั่นเองนะ การนี้เราไปยึดติดกับสิ่งใดไปยึดมั่นสืิมถือมั่นกับสิ่งใดสิ่งนั้นก็นําความทุกข์มาให้เรานะไม่ว่าจะเป็นคนอื่นหรือตัวเราเองนะตัวเองนี่เราไปให้ค่าตัวเราเองในเยอะมากเลยนะเราก็มีความทุกข์กับตัวเราเองทั้งนั้นใครจะมาติเราไม่ได้มานินทาเราไม่ได้มาว่าเรามาด่าเราแม้แต่มองค้อนเรานิดเดียวก็ยังไม่ได้เลยนะมาแสดงไปติดยาไม่พอใจนิดนึงเราก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าเราให้ค่ากับตัวเราเองเยอะมาก แต่เราไม่ให้ค่าตัวเราเองแล้วมันก็ไม่ไม่มีประโยชน์ไม่มีสิ่งใดที่จะมากระทบใจเราได้เลยอยู่ดีว่าเราสังเกตอารมณ์พวกนี้ได้ไวไหมนะสังเกตได้ไวไหมว่าเรามีความยินดียินร้ายเกิดขึ้นได้ไวไหมในตรงเนี้ยแล้วเราไม่ไปให้ค่ากับนั่นเองก็ก็จะจบไปการที่เราสังเกตอาการของจิตได้นะนี่คือสติแต่การที่เราไม่ไปให้ค่ากับสิ่งที่เราสังเกตได้อ น, นี่คือปัญญาปัญญาเกิดจากการที่เราไม่ไปให้ค่ากับสิ่งต่างๆแล้วมันก็ไม่ยึดติด เป็นการออกจากความทุกข์ได้โดยตรงตรงน ะ, ะคารานี้นะีน่วอนเครื่องกลางกันตัวทิศานก็คือทีนมิทะทีนไม่มถีนิทะก็คือความที่จิตใจอหดขู่เศร้าซึมเอเกิดอาการเบื่อหน่ายนะหรือเรียกว่าเป็นผู้ที่ง่วงเหงาเหานอนนะเมื่อเราเบื่อหน่ายเราจิตใจหดขู่เราก็จะเกิดการง่วงเหงาเหาน อ, นอนตามมานะ อันนี้เราปฏิบัติเราก็คงจะเริ่มไปแล้วนะ เ, ออเพื่อนเก่าเรามาเยือนเร็วแล้วเกินนะโอ้ว่เดี๋ยวก็ง่วงแล้วเนะี่ยอันนี้เป็นอุปสรรคตัวใหญ่เลยนะครั้นี้เราจะแก้ง่วงได้อย่างไรนะครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงอ่าดําเนินไปพบพระโมคกขลนะะพระโมกขลนะก็กําลังกําลังง่วงอยู่พอดีนะพระพุทธเจ้าก็เลยให้อุบายว่าเออเมื่อเมื่ง่วงแล้วเนี่ยอื <c oughs> ก็มอีอุบายแก้ง่วงนะนเช่นให้มองไปไกลๆนะเอให้สาธยายมน นะถ้ายังไม่หายก็เอาไม้มาย้อนหูนะถ้ายังไม่หายก็ให้ลุกขึ้นมาเดินจงกลมนะถ้ายังไม่หายก็ไปล้างหน้าล้างตานะจนสุดท้ายว่าเออถ้าไม่หายแล้วก็ให้ไปนอนเสียนะแต่นอนนี่ก็คือนอนแบบมีสตินะนอนสีหาหสยายาดนะแต่พวกเราส ม, มัยจะนึกได้ขั้นสุดท้ายขั้นเดียวนะขั้นอื่นนี่จาไม่ได้เลยนะ ตรงนี้เราก็ต้องแก้ให้ได้น่าจะไปง่วงเงาเหานอนเข้ามามันก็จะไปอวดสักเนะี่ยบางคนนั่งสมาธินั่งมาตั้งหลายหลายปีแล้วก็ยังไม่ผ่าน <c oughs> ไม่ผ่านทินิมิตะเลยนั่งที่ใดง่วงนอนทุกทีนะง่วงนอนเร็วกว่าปกติอีกนะเพราะนั้นเราปฏิบัติทำกัเหมือนกันนะเรามาเจริญสติเนี่ยเราก็อยากให้ความง่วงเข้ามาคล่อมงามเรานะเมื่อ ง, ง่วงเราก็ต้องเปลี่ยนบ้างเออเปลี่ยนบทบ้างนะหรื อ, อเคลื่อนไหวให้เร็วขึ้นนะหรือทุบเนื้อทุบตัวให้ก็รู้สึกตัวขึ้นมาใหม่ ให้เขากลับมาตื่นตัวใหม่นะเพราะการที่เราง่วงเนี่ยมันเกิดจากสองอย่างก็คือประการแรกเนี่ยก็ดจาจิตสงบนะบางทีเราอ่านะยกมือไส้หวาก็จริงแต่จิตมันสงบมันก็ง่วงได้นะประการที่สอง เ, อเกิดความเบื่อหน่าย <c oughs> เ, าเกิดความที่เรียกว่าอารมณ์มันเริ่มจะเคยชินแล้วมันก็เริ่มจะเบื่อหน่ายแล้วเนะี่ยเมื่อมันเบื่อหน่ายจิตมันก็เลยง่วงไปก็มีนะเนี่ยเราต้องสังเกตให้ไวอยากจิตเบื่อหน่ายนะกลับมาให้เขารู้สึกตัวให้ไว ข, ขึ้น เพืนไหวให้เร็วขึ้นให้เขาตื่นตัวนั่นเองนะก็จากลมต่างๆเหล่านี้ได้นะหรือถ้ากรูบาอาจารย์ให้ไปบัตดเองแล้วก็ลุกขึ้นมาเดินจงกรมบ้างเปลี่ยนไปเดินจงกรมแล้วยังง่วงก็เดินเดินให้เร็วขึ้นหรือเดินถอยหน้าถอยหลังเนี่ยมีอุบายในการแก้ง่วงต่างๆได้เยอะแยะนะอย่าให้จมอยู่ในอารมณ์ทิ่นิมิตะซึ่งจะเป็นอุปสรรคขวางกาั้นการปฏิบัติธรรมของเราอต่อไปที่สี่ก็คืออุทัจักขัรรรจากรรรจาก็คือจะเกิดความฟุ้งซ่านลาคาญบ่อยนะ บางทีเราปฏิบัติธรรมแล้วเอ้ยทําไมเรามีความคิดเยอะขนาดนี้นะเมื่อก่อนเราไม่ปฏิบัติธรรมไม่เห็นมีความคิดเยอะอะ่ความคิดไม่เห็นจะมีบ่อยแต่พอมาปฏิบัติธรรมแล้วทำไมคิดนู่นคิดนี่บ่อยๆนะอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาจริงๆแล้วเขาคิดอยู่แล้วล่ะแต่เราจะไม่เห็นในตรงนั้นก็ได้นะเขาคิดวันละประมาณห้าหมื่นครั้งนะเอแต่เมื่อก่อนเราไม่เห็นหรอกเราเนื้อคาเราไม่ได้คิดแต่มันก็คิดอยู่แล้วนะ แต่เมื่อปฏิบัติธรรมแล้วเราก็มีตัวรู้อยู่บ้างนะเมื่อมีตัวรู้อยู่มันก็มีความคิดเกิดขึ้นเราก็รู้ทันได้เร็วขึ้นนะเราก็เห็นว่าความคิดเยอะนะก็เป็นเรื่องธรรมดาของเขานะหรือจริงๆรักปฏิบัติธรรมมันก็คิดเยอะได้นะมันจะคิดเยอะกว่าปกติอีกนะอ่าก็เป็นเรื่องธรรมดาของเขาอยู่แล้วเนะพอเรามาบังคับเข า, บ, เขาบังคับเขาให้อยู่ตรงนี้แทนที่จะตามใจกิเลสเขาเรามาบังคับปุ๊บเนี่ยใจก็เลยเริ่มทํางานหนักขึ้นนะคิดมากขึ้นเรื่อยๆนะก็ตรงนี้เป็นเรื่องธรรมดา เราบังคับบัญชาก็ไม่ได้หรอกก็กลับมาให้รู้ความจริงมาเราบังคับก็ไม่ได้จิตเขามีหน้าที่คิดนะคิดว่าเราต้องห้าหมื่นครั้งแสดงว่าจิตนี่เขามีหน้าที่คิดจริงๆเลยนะขยันที่สุดเลยโอ้ลูกน้องเรายังไม่ขยันขนาดนี้เลยนะแต่จิตเราเนี่มันขยันจริงๆนะคิดว่ามนต้องเยอะแยะแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็อาศัยตัวรู้นี่แหละเราเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยหลงก็ยังน้อยลงนะก็คือความคิดนะเราจะรู้ทันก็ความหลงก็ยัน้อยลงนะแต่เขาก็ไม่ได้หมดไปนะรู้ทันก็น้อยลงแต่เขาก็ไม่ได้ผลไป แล้วก็เพียงแต่รู้บ่อยๆเท่านั้นเองนะรู้เยอะก็หลงน้อยนะรู้น้อยก็หลงเยอะเท่านั้นเองแล้วก็รู้บ่อยๆแต่เขาทํางานเข้าไปแล้วก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่ไปทุกข์กับเขาเพราะเราบังคับบัญชาก็ไม่ได้เราก็รู้ความจริงตรงนี้นะเพราะมันปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าปฏิบัติธรรมสามสีวันแล้วเราเราจะไม่หลงหรือเราจะไม่คิดนัะนนั้นแสดงว่าเราเข้าใจผิดแล้วอย่าว่าแต่สามสี่วันเลยปฏิบัติมาสิปีก็ยังต้องคิดอยู่นะมันความคิดเป็นเรื่องธรรมดาอยู่ที่เราให้ค่ากับเขาไหมเราไป เราไปให้ค่าหรือเราไปที่จะคล้อยตามเขาไหมเท่านั้นเองนะเขาคิดก็คิดไปแล้วก็ดับมารู้ใหม่นะความคิดก็ดับไปเราเห็นเน้อความเกิดความดับของความคิดก็เป็นแบบนั้นเองนะคิดเกิดขึ้นเดี๋ยวก็ดับไปในที่สเราก็จะเห็นว่ามันก็ไม่มีสาระอะไรเลยเกิดความคิดทั้งหลายแหละเขาเกิดแล้วเขาก็ดับของเขาไปไม่มีสาระไม่มีแก่นสารเพราะนั้นเราจึงยึดมั่นถือมันเข้าไม่ได้เขาจึงไม่ใช่ตัวในตนของเราเท่านั้นเองะเราก็จะลค่ายความยึดติดในตัวในตนนี้ ว่าไม่มีสาระการแสงการสารอะไรทั้งสิน้นนะอันนี้เป็นประโยชน์นะความคิดนี้ไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ไมีประโยชน์แต่เป็นประโยชน์ในการที่เราเห็นความเกิดดับอของความที่เป็นอ่าเขาเรียกว่าเป็นนามนะหรื อ, อรูปไตรลักษณญาสัญญาสงขารมิ ญ, ญาณเนี่ยเราเห็นตรงนี้ได้ชัดเจนในความเกิดและความดับยกตัวอย่างเช่นความคิดเป็นต้นนะมีประโยชน์นะไม่ใช่ไม่มีประโยชน์น ะ, ระนนะเราเห็นบ่อยๆเนี่ยจิตจะเกิดปัญญาเลยนะความคิดเนี่ยเพราะนั้นครูบาอาจารย์หลวงพเทีนนึกแบบว่ายิ่งคิดก็ยิ่งรู้นะ ยิงคิดก็ยิงรู้ก็คือเราเห็นความคิดความคิดเกิดแล้วดับบ่อยๆในอันนี้ก็คือวิปัสนาญาณเลยวิปัสนาญาณคือความเห็นความเกิดและความดับของรูปของนามหรือของร่างกายและความคิดของจิตใจนั่นเองนะอันนี้เป็นประโยชน์มากนะแล้วเราก็จะเกิดความเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายก็ใครายกำนังเมื่อใครายกำนังจิตก็หลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วเนี่ยก็เกิดจากการที่เราเห็นสภ า, าวะธรรมของรูปนามมันเกิดดับไปบ่อยนั่นเองนะ อต่อไปทีนัมิทอต่อไปอนิวนรณ์ตัวสุดท้ายก็คืออวิจิกิจฉาก็คือความลังเลสงสัยต่างๆนะลังเลสงสัยในการปฏิบัติธรรมบ้างเอปฏิบัติวิธีนี้เราจะได้ผลดีไหมเป็นนั่งสมาธิไม่ดีกว่าหรือนั่งนิ่งๆสงบดีกว่าคงจะได้ผลดีกว่านี้เราชื่อเราลังเลสงสัยแล้วนะวิธีการยกมือสร้างยังวะก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ทําให้เราในรู้ทันกายรู้ทันใจ รู้ทันว่าขณะนี้กำลังทําอะไรอยู่อันนี้ก็เป็นสติทางนั้นนะมันไม่ได้หลงไปนะแม้แต่เราตั้งใจทำกันมาเองเช่นการยกมือสั่งอ่าเราก็รู้ทันได้นะอันนี้เป็นการรู้ทันกายรู้ทันใจ <c oughs> ของเราเพราะฉะนั้นนะเราอย่าไปสงสัยวิธีการนี้ถ้าเราสงสัยวิธีการนี้เราจะไม่ศรัทธาเมื่อไม่ศรัทธาเราก็ไม่อยากจะไปบัตรเมื่อไม่อยากไปบัตรเราก็ไปบัติด้วยความฝืนใจเกิดความฝืนใจนี่มันก็ไม่ได้ผลอย่างแน่นอนนะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปสงสัยในสิ่งตา่าง การที่เราสงสัยวิธีการใดวิธีการหนึ่งอันนี้เป็นวิจิตรฉาน ะ, ะหรือสงสัยว่าเออชาตหน้ามีจริงไหมบาบุญมีจริงไหมสวรรค์มีจริงไหมนิพพานมีจริงไหมนรกมีจริงไหมอันนี้ก็เป็นการสงสัยเราก็ยังไม่ได้บรรลุธรรมแท้จริงนะเพราะตั้งแต่ความลังเลยสงสัยทั้งหมดไปเลยยึดพระตไตรปิฎกเป็นหลักพระตไตรปิฎกบอกอย่างไรแล้วก็เชื่อในตามนั้นเราก็ไม่สงสัยอย่างวิธีการไปบัติลงพ่อเทียนะเ อ, อ่คนจะสงสัยกันมากแนละ้วทำไมต้องมายกมืออะไรอย่างเหล่านั้น อันนี้ถ้าไล่ตามสติปัฏฐานสีเนี่ยมันจะไม่มีความผิดเลยสติปัฏฐานสีมีกายเวทนากาย เ, เวทนาจิตธรรมนะในหมวดกายขึ้นก่อนอก็คือกายนี่ก็ให้เรียกว่ารู้ในอิริบทใหญ่ก็คือยืนเดินนั่งนอนนี่ก็ให้รู้ในอิริบทใหญ่เหล่านั้นอิริบทย่อยก็คือสามัญญาบัพภะดื่มกินพูดคิดคู่แขนเหยียดแขนก้มเงยทรงจีวรสังขาติก็ให้รู้ทัน ก็คือรู้ทันอีบทใหญ่คือยืนด้านนอนอบทย่อยก็คืออีบดเล็กๆน้อยๆทั้งหลายแหละเนี่ยให้รู้ทันเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็ฝึกที่จะรู้ทันในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในทางกายของเราเนี่แหละเป็นหลักนะแม้แต่การยกมือนี่นะเป็นสิ่งเราสร้างขึ้นมาเองก็เหมือนกันนะที่เราต้องยกมือก็เพราะหลายเพราะว่าให้เราให้รู้ให้ต่อเนื่องนั่นเองนะถ้าเรานั่งเฉยเน่ยจะรู้ไม่ต่อเนื่องใช่ไหมเพราะเรายังไม่มีสติพอที่จะรู้ทันอาการเล็กๆน้อยๆของใจของกายเช่นอะ อาณาปณสติเนี่ยถ้าราู้ลมหายใจต่อเนื่องก็ใช้ได้นะแต่ถ้าเรารู้ไม่ต่อเนื่องเนี่ยมันก็จะไม่เป็นผลในการบัตรแต่ถ้าสิ่งใดที่เรารู้ต่อเนื่องแล้วเราจะเห็นสภาวะที่มันเกิดและมันดับได้ชัดเจนนะเห็นตรงนี้ว่ามันเป็นสิ่งที่เราตามรู้แล้วเนี่ยมันเกิดมันดับได้สิ่งเราตามรู้ในการเกิดการดับได้นะั่นแหละมันจึงจะเกิดประโยชน์ในตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นจริงต้องไปบัตรให้ต่อเนื่องนะเราก็เลยมาสร้าง ย, ยังหวาศึกษายังหวะกันเพื่อที่จะรู้รู้ต่อเนื่องนั่นเองนะ จะได้ตามรู้กายรู้ใจให้ต่อเนื่องกันนะตามรู้ต่อเนื่องเพื่ออะไรเพื่อจะเห็นปไตยรักเห็นว่าเออมันไม่เที่ยงนะมันรู้เดี๋ยวมันก็ดับไปนะความรู้ก็ดับไปก็กลายเป็นหลงใหม่ครั้งหนึ่งเนี่ยก็เรียกว่าเราเห็นปไตยรักแล้วนะจิตก็จะได้คลายความยึดติดในรูปในนามนี้วเวลาบังคับบัญชาก็ไม่ได้จริงๆจึงไม่ใช่ตัวไม่ตนของเรานะเมื่อเราเข้าใจตรง น, นี้เราจิตก็จะหลุดพ้นจากการยึดติดในอวตานขันทัง5นี้เนะมื่อหลุดพ้นเราก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วนะ ก็ขอทุกท่านจเจริญในธรรมและถึงความหลุดพ้นได้ในชาติปัจจุบันใิทุกท่านเทิด